16เอกธรรมบาลีบาลีว่าด้วยธรรมอันเป็นเอกหนึ่งปฐรรมวรคหมวดที่หนึ่งสองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหนายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิง่ง เพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานทำอันเป็นเอกคืออะไรคือพุทธานุสติทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานสองร้อยเก้าสิบเจ็ด ทำอันเป็นเอกที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อนายอย่างที่สุดเพื่อใครายกำหนัดเพื่อดบับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานทำอันเป็นเอกคืออะไรคือธรมานุสติสังคานุสติศีลานุสติจาคานุสติ เทวตานุสติอาณาปานาสติมรณัสติกายคาตาสติอุปสมานุสติทำอันเป็นเอกนิแลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อนายอย่างที่สุดเพื่อกลายกำหนดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพาน ปฐมวัคจบ